ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะมีชีวิตรอดมาจนถึงวันสิ้นปีแล้วคอสกลับไปแล้วหลวาพ่อไม่ได้ดูเลยไม่ววาว่าแต่ยุ่งเรื่องทางลาวขอมานิมนต์ไปเทศเดินมิถุนา ยังไม่มีพาสปอร์ตเลยข อ, อยากของพระนะต้องไปเข้ากรรมการของมหาเทระสมาคมก่อนสังเกตใจพอหลวงพ่อพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะสังเกตไห่ใจเรา สนุกเพลินเผลออ่านใจตัวเองไปเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ที่สุดนหนังสือเล่มเนี้ยถ้าเราอ่านได้ท่องแท้แล้วเราจะไม่ทุกอีกต่อไปหนังสือทางโลกอ่านไปแล้วก็ ง, งั้นงนแะล้วเดี๋ยวก็ลืม ถ้าเราอ่านใจงเราเนี่ยมันไม่ลืมดูของจริงนะีไม่ใช่คิดเอานะธรรมะที่คิดเอาธรรมะที่อ่านจากหนังสือธรรมะดูยู u ูบอะไรเงี้ยไม่นานก็ลืมธรรมะที่อ่านจากใจของตัวเองไม่ลืมมันติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไป ถ้าจบได้ก็จบไปนะไม่ต้องไปรอใครหรอกถ้าไม่จบก็ภาคเพียรความเกิดทุกครั้งนำความทุกมาให้ทุกทีเพราะทุกครั้งที่เกิดเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจที่ไม่รับ เราต้องเผชิญความสมบังผิดหวังอะไรของเราไปเป็นผลพวงมาจากความเกิดทั้งเส้นเลยคนส่วนใหญ่นะฉะลองวันเกิดไม่รู้ว่ามันฉลองวันทุกข์นะจุดตั้งต้นของความทุกข์ก็คือความเกิดนั่นเองแต่จุดสิ้นสุดของความทุกข์ไม่ใช่วันตายเวลาตายก็ทุกข์อีก ง้นความเกิดความตายที่หมุนเวียนกันไปสำนวนโบราณบอกไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายคือไม่รู้ว่าต้นทางมาจากไหนไม่รู้ว่าปลายทางจะไปถึงไหนมันเหมือนเราเดินอยู่ในที่ที่เราไม่รู้จักเลยชีวิตนี้เป็นของที่เราไม่รู้จักนะ่เรารู้ไหมวันนี้เราจะเจอกับอะไร ใมแค่นี้เราก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องชาติหน้าจะไปเป็ น, ปนยังไงกินข้าวตอนสายเนี่ยอาจจะมีคนสำลักข้าวตายก็ได้หลวงพ่อเคยเจอสำลักนะเป็นคนแข็งแรงนะสำลักอาหารเข้าไปอุดหลอดลมห้านาทีก็ตายแล้ว เราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราความน่ากลัวของสังสารวัฏแต่เรากลับรู้สึกว่าเรามั่นคงถาวรรู้สึกไหมเรายังไม่คิดว่าเราจะตายวันนี้ไม่มีใครคิดทัดงทั้งที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้น เราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยจนกว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัติรมให้สมควรแก่ทำเราจะสามารถมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันได้คนทั่วไปมันหลงคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตถ้าแก่หน่อยก็คิดอดีตเยอะหน่อยอย่างเด็กอยู่ก็คิดอนาคตเยอะหน่อย หนมสาวก็คิตแต่ทามาหากินไปที่จะจีบกันไปทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิต ต, ตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเรายังไม่รู้เลยสักเรื่องหนึ่งได้แต่เดาๆเอาชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับถ้าเราปฏิบัติธรรม เราจะมีความมั่นคงในชีวิตของเราขึ้นมาถ้าเราพาวนาไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจไม่กระเพิ่มหวั่นไหวจิตใจมีแต่ความสงบสุขถ้าจะต้องแก่ขึ้นมาก็ไม่คลุ้มใจถ้าจะเจ็บขึ้นมาก็ไม่คลุ้มใจถ้าจะตายก็ไม่คลุ้มใจ เกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นในชีวิตเรายัางคนที่เรารักพลัดพรากไปฉับพลันเป็นคนขับรถตีเรียบร้อยและคนอื่นขับไม่เรียบร้อยขับข้ามถนนข้ามฝั่งมาทับเราเนี้ยเนี่ยคนที่เรารักอาจจะพลัดพรากจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ตัวเราก็เป็นที่รักของคนบางคน เราก็อาจจะพลัดพรากจากเขาเมื่อไรก็ได้เหมือนกันมันเต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้ในชีวิตนี้เต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเดียตัวเราเองในวันนี้ยังไม่รู้เลยบางคนก็ไปปรึกษาหมอดูอยากรู้นะเชื่อถือนักไม่ได้หรอกเ ช, ชื่อไม่ได้พวกเราก็ชอบัูหมอนะ เมื่อวานใครถูกหวยกินมั้งมีไหมวันนี้มมหรือเมื่อวานถึงหวยออกฉลองปีใหม่เราซื้อหวยเราก็หวังว่าจะถูกใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ถูกบางคนมันก็ถูกมันไม่แน่เราไม่รู้เลยนะว่า วันหวยออกเนี่ยเราจะจดลงหรือเราจะรวยขึ้นไม่มีอะไรที่เรารู้จริงสักเรื่องหนึง่งแล้วทำไมเราจะต้องปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับความไม่รู้เรามาพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญคือความรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเองสิ่งที่ประกอบ เป็นชีวิตของเราเองก็มีรูปธปรรมส่วนหนึ่งนมามธรรมส่วนหนึ่งรูปธรรมประกอบกันเป็นร่างกายของเราเนี่ยนมามธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความนึกจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วก็มีความรับรู้คือตัวจิตตัวปัญญา ห้าอย่างนี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราสามารถเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้ความจริงของร่างกายคือมันทุกข์แน่นอนวิธีเรียนรู้ความจริงก็คือเผชิญหน้ากับมันอย่าหนีคนในโลกนี้หนีความจริงทนยอมรับความจริงไม่ได้ วิธีหนีความจริงเยอะแยะนะพัฒนาไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปเรื่อยๆหนีความจริงไปเล่น a ฟ e b o o k เล่น l ล n e อะไรก็หนีความจริงเหมือนกันไปโพสอะไรโง่ๆออไปสักอย่างนะพพวกเขามากดไลค์ให้เพื่อเราเวลาเขาโพสเราจะได้ไปตอบแทน เมื่อตนที่สิ่งที่เราเขียนหาสาระแก่นสารไม่ได้เขาก็ารู้สึกอัวหน้าสนใจพูดไปงไั้นแหละหลอกตัวเองไม่พอนะก็หลอกคนอื่นต่อมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้แล้วไม่ใช่เด็กเป็นเด็กก็จะเพอ้อฝันได้นะโตขึ้นจะเป็นนั่นโตขึ้นจะเป็นนี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วโตวแล้วปัจจุบันเป็นยังไง เรียนรู้ลงไปร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์เคยเห็นไหมไม่ใช่รอจนเจ็บป่วยถึงจะเห็นมันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันทุกข์อยู่ทุกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกทั้งนั้นนั่งอยู่ทุกข์ไหม้องดูไปเรื่อยๆส่วนมากมันจะหนีความจริงนะไม่ยอมดูไม่กล้าดูลงมาใ น, ในกายใ น, ในใจของตัวเอง กลัวจะเห็นความจริงหลอกตัวเองไปวันๆั น, นึ่งนะหนีไปเรื่อยๆไม่มีเวลาหนีแล้วล่ะหันมาเผชิญความเป็นจริงในชีวิตจิตใจของเราเองร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่เต็มไปด้วยความสุขร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามสปปกปรกไม่ใช่ของสวยของงามหอสะอาด ร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายนั่งหลบตเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับอย่างที่ใจปรารถนาอย่างเราอยากไม่แก่มันก็แก่อยากไม่เจ็บมันก็เจ็บอยากไม่ตายมันก็ตายยิ่งกังวลกับความแก่มากยิ่งแก่เร็วใจมันเครียด เนี่ยมาดูความจริงในร่างกายเราถ้าเราเห็นความจริงในร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจที่จะควบคุมได้ความหลงในร่างกายมันจะลดลงพอเห็นความจริงก็หายหลงาหายหลงแล้วใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไป เวลาร่างกายแก่แล้วรู้สึกมันธรรมดาร่างกายเจ็บเรารู้สึกมันธรรมดาร่างกายจะตายมันรู้สึกธรรมดาถ้าเห็นความจริงในร่างกายนะกิเลสเราจะลดไปเยอะเลยอย่างถ้าเรารู้ความจริงในร่างกายนะกรรมมาราคะจะไม่มีปฏิฆาความหงุดหงิดลาคางใจขัดเคืองใจไม่มี ใจไม่กระเพิ่มขึ้นด้วยการมาราคะไม่ก็เพิ่มลงด้วยปฏิฆะความหงุดหงิดไม่พอใจในถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายเพะเราไม่เห็นความจริงในร่างกายมันก็เกิดความยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาเรียนรู้ตัวเองนะทุกข์จะได้น้อยลง ความทุกข์แปรผันกลับกับความฉลาดมีฉลาดเข้าใจความจริงแล้วก็ทุกข์มันก็ลดลงลดลงที่จมอยู่ในความทุกข์ออกมาไม่ได้เพราะไม่เคยเผชิญหน้ากับความจริงเลยหนีความจริงตลอดอย่างร่างกายไม่ใช่ของสวยของงามนะตื่นเช้ามาก็รีบปลดในบัติมันกรบเกลือนความสศกโกรกของมันเมื่อช้าให้ใคร ไม่อาบน้ำ ม, มั้งมีไหมยกมือให้ดูหน่อ <laughs> ยทำไมต้องอาบน้ำาสกปลกบไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะนอนอยู่เฉ ย, ยๆตื่นเช้ามาหน้ามันย่องเป็นข้าวมันไก่เลยดูไม่ได้ปากก็เหม็นตื่นเช้ามายังไม่อยากพูดกับใครเหม็นเพราะอมไม่นาน ไปขับถนะ่ายเนเขาเ ห, หม็นใชไหนี่ยร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความโสโครกไม่ได้สวยไม่ได้งามจริงอนะเวลาเราไปมองคนอื่นนะว่าเขาสวยว่างามเนะี่ยเรามองไม่ถึงแก่นถ้ามองถึงแก่นกนะ็ไม่เห็นมีใครสวยมีใครงามเท่าไหร่เมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือท่านจันจวนอยู่ภูทอก ฉันจวนตอนหนุ่มๆ น, นะก่อนจะมาบวชท่านก็มีความรักเหมือนกันเจอสาวงามในหมู่บ้านสวยถูกใจเหตุที่ท่านจะมาบวชนะั้นเขาวันหนึ่งท่านไปเห็นอึอของผู้หญิงคนนั้นสมัยก่อนเขาอึอตามพุ่งนาใต้ต้นไม้อะไรเง้หลบมุมหน่อยท่านไปเห็นเขา้า ไม่สวยไม่งามไม่หอมเลยมันหลอกเราแท้ๆเลยเอาหนังมาพุ่มของโสมปลกเอาไว้มาหลอกให้เราหลงก็อินหนังเท่านั้นเองอย่างพวกเราถ้าไม่มีหนังสวยไหมถ้าถูกไฟลวกหรือน้ำร้อนลวกกันหนังรอบเข้าไปตัวแดงๆไม่สวยนะหนังเราหนาแค่ไหนหนังเราบางนิดเดียว ของแค่เนี้ยของบางนิดเดียวเนี้ยหลอกเราได้แล้วถ้าไม่เห็นว่ามันสวยมันงามหนังที่หนาหน่อยก็หน้าเท่านั้นนละห <c oughs> นังหน้าหนังอื่นก็บางๆคนจีนอาจจะงงว่าทำไมหนังห น, น้านะต้องแปลหมายถึงหน้าด้านเป็นสำนวนเดีนะ๋ยวคนจีนงงทาไม คนไทยหนังหน้าหนาเหรอสนใจดูหนังบางนิดเดียวนะหลอกเราได้หรือไม่ฉลาดเลยไม่เรียนรู้ความจริงลงในร่างกายนะเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามไม่สะอาดเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนหายใจเข้าเราก็หายใจออกก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออก จริงไหมคิดด้วยลอจิกคิดด้วยตรร ก, กะก็ว่าจริงว่าเราใกล้ความตายไปทุกครั้งที่หายใจแต่ใจเรายังไม่ยอมไม่รับรู้หรอกไม่ยอมดูดูความจริงนะร่างกายนี้เต็ไมได้วยความไม่มั่นคงนะตายง่ายพระพุทธเจ้าเทียบบอกว่าเหมือนหม้อดิน เดี๋ยวนี้เราใช้หม้อโลหะแตกยากสมัยพุทธกาลหรือปูยยะตายายเราขึ้นไปนะใช้หม้อดินหม้อดินเนี่ยไม่ระวังนี้เดียวก็แตกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายเราเหมือนหม้อดินแตกง่ายรักษายากดูแลไม่ดีนี้เดียวก็แตกสลายล ลองหลับหูหลับตาเดินถนนไปเนี่ยแป๊บเดียวก็แตกสลายแล้วนะมีสิ่งมาช่วยทำให้แตกเดินเล่นอยู่ในป่าเดินซุ้มซ่านไปมู่ชมนกชมไม้เหยียบงูเขางูก็กัดเราแล้วกนะ็แตกสลายแล้วนะนี่ร่างกายเป็นของแตกสลายง่ายชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน เป็ของดูแลรักษายากเนี่ยเราพยายามมาเรียนรู้ความจริงนะเราจะไม่ประมาทเพราะเรารู้ความจริงว่าเราตายง่ายนะเราจะประมาทไม่ได้หรอกเราต้องรีบคิดนะว่าก่อนตายเราอยากทําอะไรเราริบทําซะแต่อย่าชั่วนะก่อนตายอยากขมคืนคนอื่นเพราะว่าไม่มีโอกาสติดคุกแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วอย่างเงี้ย อย่นี้ไม่ได้เรื่องพวกมีชาติธิถ้าความดีอะไรยังไม่ได้ทำรีบรีบทำซะเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนชีวิตนี่เป็นของเปล่ะบางที่สุดรีบสร้างความดีไปอันไหนยังไม่ได้ทำรีบทำความชั่วอันไหนยังไม่ลาก็รีบรีละซะไม่ต้องรอให้แก่แล้วถึงจะละ ความดีก็รีบทำไม่ต้องรอให้แก่ถยงจะทำเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนจำนวนมากนะเขาตั้งใจว่าอายุห้าสิบแ้จะปฏิบัติอายุห้าสิบเนี่ยผลัดเอาไว้ก่อนตอนนี้คอหลงอยู่กับโลกก่อนทีนี้อยู่ไม่ถึงห้าสิบเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติพวกเราใครคิดว่าอายุห้าสิบปีจะปฏิบัติบ้างมีไหมยกมือให้ดูหนะ่อยหรือห้าสิบปีจะบวช ไม่มีเลยเหรอกอมีนั่นกล้าหารมากแล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วนะแล้วปฏิบัติเต็มที่ยังรีบๆทำเขาแก่แล้วหลวงพ่อภาวนา ม, มาตั้งแต่เจ็ดควบนะนี่แป๊บเดียวจะเจ็ดสิบอยู่แล้วนะวันเวลา ปีหนึ่งสั้นนิดเดียวภาวนาไปเรื่อยๆรืยยังสบายใจอย่างนะว่าเราได้ภาวนามาตลอดชีวิตนี้ได้สิ่งที่ต้องการได้ความสงบสุขมาบวชเป็นพระได้ชีวิตที่สงบสุขมันอิ่มอกอิ่มใจไม่หิว ใจที่ยังไม่อิ่มมันก็หิวนะนะั่นแหละอยากโน่อนอยากนี่ไปเรื่อยก็ดิ้นรนไปได้ลืมความจริงของชีวิตไปเมื่อแต่ดิ้นรนหาอะไรซึ่งหาสาระไม่ได้บางคนก็ดิ้นรนหาแฟนหาสาระไม่ได้จริงหรอกมีแฟนก็มีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็เบื่อหลวงพ่อไม่อยากถามว่าใครเบื่อบ้าง คำตอบมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วมาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะวิธีเรียนรู้ความจริงในตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ามีร่างกายมีความรู้สึกทั้งหลายนความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมีความรับรู้คือจิตใจมีสภาวะสามอย่างคือจิต จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต่างๆเจตสิกคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอย่งความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตอันนี้เรียกว่าเจตสิกในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรามาเรียนรู้มันเรียนรู้ลงในจิตเรียนรู้ลงในเจตสิกคือความสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเรียนรู้ลงในรูป ดูในกายของเราเนี่ยสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็มีสามส่วนนีมีร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีความรับรู้สามส่วนเรียนรู้ลงไปแต่ละส่วนมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันบังคับได้ตามใจปรารถนาหรือบังคับไม่ได้ดูของจริงการดูของจริง ของร่างกายดูความจริงของร่างกายของความรู้สึกของจิตใจอันนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแันเรียนรู้ความจริงเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของความรู้สึกของจิตใจได้อย่างไงขั้นแรกอย่าลืมตัวเองถ้าเราใจลอยเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดสังเกต ไ, ไมเมื่อเราเผลอๆใจลอยนะส่วนใหญ่หลงไปคิด ไปรู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นมีร่างกายลืมร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดลืมความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจที่เป็นตัวรับรู้อารมณ์ขณะนั้นก็ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองมัวแต่สนใจสิ่งอื่นคนในโลกที่มันหลงนะมันสนใจรูปข้างนอกไม่สนใจตาของตัวเองมันสนใจเสียงข้างนอกไม่สนใจหูของตัวเอง มัสนใจกลิ่นข้างนอกไม่สนใจจมูกของตัวเองมันสนใจรถไม่สนใจลิ้นสังเกตไหมเวลากินข้าวอันนี้อร่อยอร่อยเห็นไหมสนใจรสไม่สนใจลิ้นหรอกสนใจสิ่งที่มันกระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายไม่สนใจประสาทกายประสาทรู้ความสัมผัสทางร่างกายสนใจเรื่องราวที่ใจคิดนึกปรุงแต่งไม่สนใจว่าจิตใจของเรา ที่เป็นผู้คิดนัรุงแต่นะั้นมันเป็นยังไงเราสนใจแต่สิ่งภายนอกเราไม่เรียนรู้ตัวเองลืมตัวเองตลอดเวลาถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติให้ความสำคัญกับตัวเองอย่าใจลอยถ้าใจลอยเราจะลืมตัวเองใจลอยไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจลอยทางใจส่วนใหญ่ใจลอยไปคิดใจลอยทางตาก็ไปดู อย่างเวลารถชนกันนะเราขับรถ อ, อยู่รถชนกันตาเราไปดูแล้วใจเราวิ่งออกทางตาวิ่งไปดูได้ยินข้างบ้านสามีพัญญาเขาพูดอะไรกันเบาๆเราเรีบฝึกทิพโสด ม, มันพูดอะไรกันนะมันจีบกันว่ายัางไองอะไรเงี้ยสนใจนะในใจเราชอบของข้างนอกนะ อย่าใจลอยให้จิตใจอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในความรู้สึกรู้สึกอยู่ในจิตใจของตัวเองดูไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับความรู้สึกอย่าบังคับจิตใจบังคับกายอย่างเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราบังคับกายนะเวลาจะเดินจงกรมก็ต้องเดินพิทึกพิลึกนะ เวลาจะนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งให้ผิดกว่าที่เราเคยนั่งเวลาจะทำอะไรกวผิดธรรมชาติไปหมดเช็กินข้าวแล้วขยับอยู่นะขยับขยับจนข้าวบูดแล้วยังกินไม่เสร็จเลยทำอะไรยืดยาดไปหมดบังคับตัวเองมากไปเราต้องการเห็นความจริงงั้นอย่าไปบิดเบือนความจริงอย่างความจริงในใจของเรากิเลสเรามีเยอะแยะกิเลสเกิดแล้วรู้เ ไม่ใช่ไปทําจิตให้นิ่งให้ว่างไม่มีกิเลสโผล่ให้ดูแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเหลือเกินมันหลอกตัวเองง้นการทำํำวิปัสสนากรรมฐานนะเราอยากเรียนรู้ความจริงของร่างกายอยากเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกนึกคิดอยากเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงได้เราต้องไม่ลืมมันเวลาลืมคือใจลอยไปอยู่ที่อื่นลืมกายลืมความรู้สึกลืมจิตใจ แล้วก็อย่าไปแทรกแสงบังคับร่างกายบังคับความรู้สึกบังคับจิตใจตัวเองให้ผิดธรรมชาติเพราะถ้าเราไปบังคับให้ผิดธรรมชาติเราจะเห็นความจริงไม่ได้เพราะความจริงถูกเราทำลายไปแล้วรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติรู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายรู้เท่าทันการทางานของจิตใจเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆ เมื่องต้นจะเอาแดนหนึ่งก่อนก็ได้ดูจิตไม่เป็นดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์หายใจออกก็เพราะมันทุกข์หายใจเข้าก็เพราะมันทุกข์ร่างกายยืนไม่ใช่ตัวเรายืนนะแต่ร่างกายมันยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวรูปธรรมที่เคลื่อนไหวไป ทำไมมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกข์นั่งนานๆมันทุกข์นะเดินนานๆมันทุกข์ไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมีสติอยู่กับร่างกายเดี๋ยวก็จะเห็นเองเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ไม่ไม่คงที่นะเดี๋ยวก็าหายใจออกเดี๋ยวก็าหายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนะไม่เที่ยงรูปยืนก็ไม่เที่ยงรูปนั่งก็ไม่เที่ยงรูปนอนก็ไม่เที่ยง ความเคลื่อนไหวทั้งหลายความหยุดนิ่งทั้งหลายมีขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่เรียนรู้ตรงในร่างกายแล้วเรียนรู้ความรู้สึกเรียนรู้ยังไงรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละรู้สึกสุขก็รู้ว่ากำลังรู้สึกสุขอยู่รู้สึกทุกข์ก็รู้ว่ากำลังรู้สึกทุกข์อยู่นะรู้สึกโกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธอยู่รู้สึกลภรู้สึกหลงรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกหดหูก็รู้อย่างที่มันกาลังเป็น ไม่ต้องไปทำตัวให้เป็นคนดีนะไม่ต้องทำตัวให้เป็นคนดีไม่ต้องทำจิตใจให้มีแต่ความสุขมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันโรบโกรดหลงก็รู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นให้ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ไปอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูนะไม่ใช่จะดูความรู้สึกไหนตอนนี้รู้สึกไงจ้องไงเงี้ยมันก็เฉยฉยมันไม่มีอะไรให้ดูมันเฉยฉยไป ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะมันจะเปลี่ยนให้เราดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนั้นแหละความจริงของมันคือมันไม่เที่ยงความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงรอบโกรดลงก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านความหดหู่ก็ไม่เที่ยงพราะงั้นภาวนาไปเรื่อยๆนะจะเห็นความจริงอย่างนี้นี่เรียนมาสองอันนะเรียนร่างกาย ดูไปด้รู้สึกไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับร่างกายก็จะเห็นความจริงของร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มได้วยการบังคับไม่ได้จริงเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกก็จะเห็นนีความรู้สึกทุกอย่างไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงดีไม่เที่ยงชั่วไม่เที่ยงถ้าเรียนอันสุดท้ายเรียนจิตใจของเราจิตใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด ในจิตใจก็มีพฤติกรรมเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกช่องนี้เป็นที่ไปเกิดของจิตจิตไปเกิดทางตาคือบิ่งไปดูรูปจิตไปเกิดทางหูก็ไปฟังเสียงจิตไปเกิดที่จมูกก็ไปดมกลิ่นเวลาเราใจลอยนะเราเดินผ่านสมมติมีถนนเส้นหนึ่งหมาขี่ไว้เต็มเลยแต่เราใจลอยเราไม่ได้กลิ่นขี้หมานะ แล้วถ้าใจลอยไม่ดูด้วยก็จะเหยียบขี้หมาได้ด้วยเหยียบมาแล้วยังไม่รู้เลยนะมาขึ้นรถขับรถมาสักพักหนึ่งขี้หมาที่ไหนหมาตัวไหนขึ้นมาขี้ในรถเรานะโทษหมาซะเิงที่จริงไปพาหมาเข้ามาในรถเองนะตอนนี้นมันใจลอยไม่รู้งันรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย เห็นความจริงของจิตใจเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็ไปวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่จริงใช้คําว่าวิ่งก็ไม่ถูกจิตมันเกิดที่ตาแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดที่หูแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับมันเกิดดับตลอดเวลานะจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังมันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดมันก็ดวงคนละดวงกันจิตที่ดีมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ชั่วมันก็คนละดวงกันะ ไม่เกิดด้วยกันหรอกจริงๆแล้วถ้ามาดูถึงตัวจิตที่เห็นจิตนะี่เกิดดับตลอดเวลารวดเร็วมากดูความรู้สึกก็เห็นความรู้สึกมันเกิดดับไปดูร่างกายเต็ไมไรด้วยความทุกขนะ์แล้วทั้งหมดนั้นนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกทั้งจิตใจไปเรียนรู้ความจริงนะแล้วชีวิตเราจะไม่สูญเปล่าเรียนไปเรื่อยแต่ละปีแต่ละปีอย่าให้ผ่านเปล่าๆ ตายไปกับความโง่มัจะได้อะไรขึ้นมาสะสมความรู้ความเข้าใจนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้กับจิตใจไปชาตินี้บุญวาสนาพอก็ได้มักได้ผลไปหรือนิพพานไปบุญยังไม่พอก็าสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกชาติต่อไปจะภาวนา ง, ง่ายสังเกตไหมบางคนภาวนา ง, ง่ายบางคนภาวนายาก ม, มันอยู่ที่เคยฝึกมาเปล่าถ้าไม่เคยฝึกฝนนะฝึกแต่ความหลงมันก็ภาวนายาก เคยฝึกมาแล้วเคยรู้สึกตัวเคยดูรูปดูนามนะมันก็ภาวนาง่ายทุกอย่างยุติธรรมที่สุดใครทําก็ได้นะใครไม่ทำมันก็ไม่ได้ผลเหราะนอย่าให้ชีวิตสูญเปล่าเปล่านะตายเปล่าไปปีหนึ่งปีหนึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้ต่อไปนี้ไปกินข้าวการไปกินข้าวคือการปฏิบัติธรรมนะเวลาใจมันโลภขึ้นมาอยากกินโน่นกินนี่รู้ทันมันเข้าไป ร่างกายเคี้ยวอาหารก็รู้นะถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันไปเคี้ยวลิ้นเข้านิมนต์ครับ